เปนไปเพื่อความสงบความเยน็นเป็นไปเพื่อมรกผลในป่านได้พระพุทธเจ้ายังสอนว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้กทดาส จ, จันชื่อเหล่านี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกตการผู้ปฏิบัติต้องทาด้วยตนเองให้คนอือนผิดแล้วก็ทำตัวเราไว้ผิดไปตามเขาเอาความผิดเป็นครู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 เอาธรรมชาติมาเป็นสุขเอาธรรมชาติมาเป็นทุกข์ต่ออาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมาเป็นสุขมาเป็นทุกข์างท่านที่เขาเป็นธรรมชาติเป็นอาการธรรมดาของเขาเป็นรูป ก, กาอนนี้ก็ต้องไหลไปอยู่เสมอให้เที่ยงตนได้ยากยาวความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ยาวความตระานกดหลังปวดเอวมาเป็นทุกข์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 ถ้าสุขเหมังนคนเป็นโลกขี่กากเกาขี้กากเพราะนั่นว่าเป็นสุขซะไ ห, ห้เกาได้เกาขี้กากก็ว่าเป็นสุขถ้ามาได้เกาก็ไม่ได้ตามันันขึ้นมาแต่การเก า, านั้นไม่ใช่ความสุขเจอคนเรามืรักษาขี้กากได้แล้วไม่ต้องเกาอันนั้นก็ไม่เรียกว่าสุขเพราะมันหายไปแล้วไม่เรียกว่าสุข หาความสุขปัอาการต่างๆหาความทุกปัญหาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับก า, ายใจมันไม่ได้เราเปลียนว่าจะเกิดตรงนี้ทุกเรื่องเก่าโกรธเรื่องเก่าอะไรต่างๆมันเปลียนว่าจะเกิดเรียกวัฏจัสงสารเราจงมาดูแลให้ดีๆถ้าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าความสุขอยู่ที่กายที่ใจ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 ลื่นแล้วก็ล้มลงก็ทับตรงกระดูกมันละเกา่าลุกไม่ขึ้นนอนอยู่คนเดียวฝนก็ย่อลงมาใส่สนุกไหม <laughs> ลุกก็ลูกไม่ได้ฝนก็ย่อลงมานอนเปียกอ่กับตรงใปขาย่อลงมาก็มีเพื่อนมีพระามาช่วยล้งข้อด้วยลุกมาได้แล้วก็ไม่มีใครก็เลยนอนอยู่ตรนนั้นน้นนอนแบบไม่ทุกนะ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 ตกใส่ใบต้อง พ, อพกพแป๊กพกแป๊กเออดีสามดีสี่แล้วบางทีสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เราได้ฝึกตนก็มีเหมือนกันเพื่อนบางคนสิ่งแวดล้อมบางอย่างเอามาฝึกตัวเราไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องอทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเขาเดินยกรรมถือว่าเขาโมลบกวนเราเราจะนอนนะมาเดินอย่างนี้ทำไมมาคิดอย่างนั้นดีเราจะได้เอาอย่างเขาว่าง แม่พระพุทธเจ้าอเอาบอกพระสงเอาอย่างเช้งเอาอย่างกวางบ้างต่กวางม อ, อกหาจินมันก็มีสติดีเดินไปก็หนังก็มองไปหยุดเดินไปก็มองไปหสวงตาเคยเห็นขวางลักษณะของขวางเมื่อดูแล้วเปรียบเทียบพุทธเจ้าที่เคยแสดงไว้ในพระสูตรมาดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสสมยปอน ท, ที่